สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสอตรอยเฟมรข้าพเจ้าพระมหาใบบุ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้เราจะได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของธรรมบทซึ่งในช่วงนี้ข้าพเจ้าก็พยายามที่จะเลือกสรรเรื่องนิทานในธรรมบทที่ เป็นการอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยปกติแล้วก็จะมีคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำกลอนอย่างพุทธศาสนสุภาษิต ท, ที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันเนี่ยที่ส่วนใหญ่จะเป็นพุธพทธพจน์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีนิทานประกอบเรื่องในพุทธศาสนสุภาษิตตรงนั้นตรงนั้ น, น, นที่ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสคาถานี้คำพูดนี้ขึ้นมาประรอเหตุใ ด, ด, ดแต่สิ่งนี้เป็นส่วนอาจจะเป็นนิทานที่แต่งขึ้นบ้าง อาจจะอิงเรื่องจริงบ้างซึ่งปรากฏอยู่ในคมภี์ที่มาในส่วนของอตตกถานําเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็จะนาเรื่องราวของภิกษุรูปหนึ่งที่ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในหมู่บ้านที่ชื่อว่ามาติกาขามแล้วก็มีมารดาของหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นผู้หญิงที่อายุมากแล้วเป็นผู้ที่คอยดูแลอุปต aka อุปถัมภ์และพระภิกษุที่มาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ที่คอยดูแลเหล่าภิกษุที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยเรากฏว่าได้ศึกษาปฏิบัปธรรมตามที่ภิกษุเหล่านั้นสอนแล้วก็ได้มียานวิเศษนั่นคือสามารถกําหนดรู้จิต ใ, ใจคนอื่นได้ก็รู้ว่าภิกษุรูปนี้ชอบอะไรกินอะไรแล้วก็ทําสิ่งนั้นมาถวายแต่ถ้าไม่เกิดเป็นอาหารสัปปยะขึ้นแต่ซึ่งในเรื่องนี้ได้พูดถึงสัปยะเรื่องของบุคคลสัปยะเรื่องสถานที่สัปปยะ แล้วก็เรื่องของอาหารสปายะในเรื่องของอาหารสปายะนั้นก็อุบาสิกาท่านนี้แหละเป็นผู้ที่จัดให้นะตามความประสงค์เพราะว่าตัวเองมีความสามารถในการอ่านจิตของคนู้เนยละก็เลยพอรู้ข้อมูลตรงนี้ก็เลยจัดมาให้นะตามอย่างที่ภิกษุเหล่านี้ต้องการก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นตอนไปทีนี้มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งท่านบวงที่ว่ากลัวในเรื่องนี้นะกลัวว่าโอเเขาจะมารู้จิตชั้นชันจะคิดไม่ดีอะไรต่างๆนานานะ พระพุทธเจ้าก็เลยให้คำแนะนำว่าเออแทนที่เราจะไปกลัวอย่างนั้นเนะ่ยให้รักษาจิตเนีย่ยจึงเป็นที่มาของในพุทธบ์ตรงนี้ที่เราอาจจะเคยได้ยิ น, นที่พูดถึงว่าจิตที่ฝึกล้างน้ำสุกมาให้แลัคาถาเต็มๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเนี่ยก็คือเริ่มพูดตั้งแต่จิตนั้นฝึกได้ยากเป็นธรรมชาติที่มักไปรวดเร็วไปในอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าจิตนั้นได้รับการฝึกแล้วก็จะเป็นสิ่งที่นำ ความสุขหมายให้ได้แต่พระพุทธเจ้าแนะนําภิกษุรูปนี้ให้รักษาจิตอย่างเดียวเลยแต่ไปอยู่ในที่นั้นได้รับอาหารสปายะในที่สุดภิกษุรูปนี้ก็ได้บรรลุธรรมแลที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือว่าสังสารวัตรนี่มันโอโหยาวนานมากแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีเราก็คาไม่ถึงปรากฏว่าภิกษุรูปนั้นก็เคยเคยเป็นสามีของอุบาสิกาที่อุปตากอยู่แล้วก็เกิดเรื่องรามาขึ้นละ่ะ แต่ไปชอบชายอื่นแล้วก็ฆ่ากันจึงรู้สึกสลดสังเวชแต่ระลึกไปย้อนหลัง99ชาติไปเจอเหตุการณ์นี้นั่นก็จึงรู้สึกสลดสังเวชอุบาสิกาคนนี้เขาก็ทราบแต่นะว่าภิกษุรูปนี้คิดอย่างนี้เขาก็เลยตรวจสอบดูล่ะว่าเอ๊ะเหตุการณ์เป็นยังไงแต่พนอะคิดไปถึงชาติที่100แลร้อย้อนหลังไปชาติที่100ก็ปรากฏว่าอุบาสิกาคนนี้ที่เคยเป็นภรรยาของภิกษุรูปนี้นั่นกะ็ได้เคยสละชีวิต แทนเพื่อภิกษุรูปงนั้นมาในะอันนี้คือคนที่เขาเคยมีอุปการะซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องของสังสารวัตรแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ฟังคือเรื่องของคำํำทักทายในสมัยก่อนในเวลาพระพุทธเจ้าจะทักทายภิกษุเนี่ยก็จะพูดถึงว่ายังอดทนอยู่ได้ไห้ยังพออัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารบินตบาหรือเปล่าในะซึ่งอันนี้เป็นคําทักทายของพวกนักเรียนที่เขาเรียนบาลีกันด้วยแล้วนะเขาก็จะพูด ภาษาบาลีกันละในที่พูดถึงสรีระยนในที่มีจัก4สี่นก็หมายถึงร่างกายของเราเนี้ยมีรีบท4สี่มีทวารทั้ง9ก้าในก็คือตาสองหู2อจมูกปากทวารหนักทวารเบารวมกัน9อย่างยังพออดทนในสรีระยังพอให้เป็นไปด้วยอาหารบินตาบารแล้วก็จีวรตามมีตามได้หรือไม่อันนี้เป็นคําทักไทยที่พระพุทธเจ้าจะทักภิกษุทั้งหลายที่มาเยี่ยมมาพบพระองค์ มาฟังเรื่องของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกับอุบาสิกาที่หมู่บ้านมาติกาคามกันได้มีบ้านตาบลหนึ่งที่อยู่กันอย่างหนานแน่นชื่อว่าหมู่บ้านมาติกาคามใกล้เชิงเขาในแว่นแคว้นของพระเจ้าโกศลภายหลังวันหนึ่งภิกษุประมาณ60รูปทูลอารัตนาให้ตรัส บอกพระกรรมฐานจนถึงพระราหัตในสำนักของพระศาสดาแล้วไปสู่บ้านนั้นเข้าไปเพื่อบินาบาตลลำดับนั้นหัวหน้าของหมู่บ้านที่ชื่อว่ามาติกะมารดาของหัวหน้าหมู่บ้านนั้นได้เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงนิมนต์ให้นั่งในเรือนถวายคืออังคาดด้วยข้าวยาคู และอาหารอันมีรสเลิศต่างๆแล้วถามว่าพระคุณเจ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะไปณที่ไหนเจ้าค่าภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพวกอัตมาภาพมีความประสงค์จะไปสู่ที่ตามความผาสุกอุบาสิกานางทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเชรอยจะแสแบงหาสถานที่สาหรับจบาพรรษา จึงหมอบลงที่ใคร้เท้าแล้วกล่าวว่าถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายจะอยู่ในที่นี้ตลอด3มเดือนนี้ไซดิฉันจะรับสรณะทั้ง3และรักษาศีลหและทำอุโบโสดกรรมนังนี้ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าก็เราทั้งหลายเมื่ออาศัยอุบาสิกานี้จะไม่มีความลำบากด้วยเรื่องอาหาร จะสามารถทําการสลัดออกจากพบได้ดัง น, นี้แล้วจึงรับคํานิมนต์นางได้ชำระวิหารอันเป็นที่อยู่ถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่ออยู่ในที่นั้นวันหนึ่งได้ประชุมกันแล้วตักเตือนแก่กันและกันว่าท่านผู้มีอายุพวกเราไม่ควรประพฤติโดยความประมาทเพราะว่ามหานรก ทั้งแดขุมมีประตูเปิดคือคอยท่าพวกเราเหมือนอย่างเรือนของตนทีเดียวก็พวกเราได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้อย่างสนพระสนอยู่จึงได้มาที่นี่ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันใครๆผู้โอ้อวดแม้เที่ยวไปตามรอยพระบาทก็ไม่สามารถ ให้ทรงโปรดปราณได้แต่บุคคลผู้มีอัธยาศัยเป็นปกติเท่านั้นสามารถให้ทรงโปรดปราณได้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทพวกเราไม่ควรยืนไม่ควรนั่งในที่แห่งเดียวกันสองรูปแต่ว่าในการเป็นที่บํารุงพระเถระในเวลาเย็นและในการที่เป็นเวลาพิการจารในเวลาเช้าเท่านั้น พวกเราจะมารวมกันแต่ในการที่เหลือจะไม่อยู่ร่วมกันสองรูปก็อีกอย่างหนึ่งแลเมื่อภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีความผาสุกมาตีระครังในถ้ำกลางวิหารขึ้นแล้วพวกเราก็จะมาตามสัญญาแห่งระครังแล้วทำยาให้กับภิกษุผู้นั้นดังนี้ก็เมื่อภิกษุ เหล่านั้นทากติกากันอย่างนี้อยู่วันหนึ่งอุบาสิกานั้นได้ให้บุคคลถือเบสตัตทั้งหลายมีเนยใสและน้ำม้อยเป็นต้นผู้อันชนทั้งหลายมีทาาและกรรมกรเป็นต้นแวดล้อมแล้วเดินไปสู่วิหารนั้นในเวลาเย็นไม่เห็นภิกษุทั้งหลายในท่ามกลางวิหารแล้ว จึงถามพวกบุุษว่าก็พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปเสียณะที่ไหนหนอแลกเมื่อพวกเขาตอบว่าคุณแม่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้นั่งอยู่ในที่พักกลางคืนและพักกลางวันของตนของต น, ของตนเท่านั้นนั่งจึงกล่าวว่าฉันทำอย่างไรเล่าหนอจึงจะสามารถพบพระผู้เป็นเจ้าได้ลาดับนั้น มนุษย์ทั้งหลายนั้นรู้กติกาวัดของภิกษุสงฆ์จึงบอกกับอุบาสิกาเน้นว่าคุณแม่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะมาประชุมกันในเมื่อบุคคลมาตีระครังนางจึงให้ตีระครังขึ้นภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระครังแล้วออกจากที่ของตนของตนด้วยสำคัญว่าภิกษุบางรูปจะไม่มีความผาสุก จึงมาประชุมกันในท่ามกลางวิหารภิกษุชื่อว่าเดินมาโดยทางเดียวแม้สองรูปย่อมไม่มีอุบาสิกาเห็นภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งเท่านั้นเดินมาจากที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งจึงมีความคิดว่าเรอยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราจะทําความทะเลาะวิวาทแก่กันและกันดังนี้แล้วว่ายภิกษุสงแล้วจึงถามว่า ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายทําความทะเลาะกันอย่างนั้นหรือพิสุทั้งหลายตอบว่าพวกอัรมาภาพหาได้ทําการทะเลาะวิวาทกันไหมอุบาสิกาท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านไม่มีความทะเลาะวิวาทกันใช่เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรพวกท่านจึงไม่มาโดยรวมกันทั้งหมดเหมือนเมื่อมาสู่เรือนของดิฉันนี่กลับมาทีละองค์ทีละองค์จากที่แห่งหนึ่ง อุบาสิกาพวกอัตมานั่งทำสมณธรรมในที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งท่านผู้เจริญก็ชื่อว่าสมณธรรมนั้นคืออะไรอุบาสิกาพวกฉันทําการสาธยายอาการ32เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญการทําการสาธยายอาการ32 และการเริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพย่อมสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือย่อมสมควรแก่พวกดิฉันด้วยได้หรือไม่อุบาสิกาธรรมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้สงห้ามแก่ใครๆถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านจงให้อาการ32และขอจงบอกการเริ่มตั้งซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพแก่ดิฉันบ้าง อุบาสิกาถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนเอาเถิดภิสุทิทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ให้เรียนเอาทั้งหมดแล้วจำเดิมแต่นั้นอุบาสิกานั้นก็ได้ทำการสาธยายซึ่งอาการ32เริ่มตั้งไว้ซึ่งความสิ้นและความเสื่อมไปในตนได้บรรลุมักสามผล3าก่อนภิษุเหล่านั้นทีเดียว และมีปฏิสัมพิทาศีและโลกียะอภิญญาก็ได้เกิดขึ้นแก่อุบาสิกานั้นด้วยมรคนั่นแหละนอกจากสุขอันเกิดแต่มรคละผลแล้วได้ตรวจดูด้วยทิพยะจากสุขใครครวนอยู่บ้างพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราบรลุธรรมนี้ในการไหนหน้อแลและได้พิจารณาทราบว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ ยังมีราคะโทสะโมหะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ได้กุณธรรมแม้สักว่าฌานและวิปัสสนาเลยจึงทำการไครคกลวนต่อไปว่าก็อุปนิสัยแห่งพระรหันต์ของพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่น้อก็เห็นว่ามีอยู่ดังนี้แล้วจึงพิจารณาว่าเสนาสนะ อันเป็นที่สบายจะมีหรือไม่หนอเห็นแม้เสนาสนะเป็นที่สบายแล้วจ pues, ึง <defend> พิจารณาว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเรายังไม่ได้บุคคลเป็นที่สบายหรือหนอก็เห็นแม้บุคคลเป็นที่สบายแล้วจึงใกรกลวนอยู่ว่าก็พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้อาหารเป็นที่สบายหรือหนอก็ได้เห็นว่า อาหารเป็นที่สบายยังไม่มีแก่พวกเธอจำเดิมแต่นั้นมาจึงจะแจงข้าวยากูคือข้าวต้มอันมีอย่างต่างๆของกบเคี้ยวเป็นเอกประการและโภชนะมีรสต่างๆอันเลิศแล้วนิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้นั่งแล้วจึงถวายน้ำทักษีโนโทกคือน้ำเพื่อทักษีนาแล้วมอบถวายด้วยคำว่า ท่านผู้เจริญพวกท่านชอบใจสิ่งใดๆขอจงรับเอาสิ่งนั้นๆรับประทานเถิดภิกษุเหล่านั้นรับเอาวัตถุทั้งหลายมีข้าวอย่าคููเป็นต้นแล้วบริโภคตามความชอบใจเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้อาหารอันเป็นที่สบายจิตก็เป็นธรรมชาติมีอารมณ์เดีย ว, แ น, วแน่ พกเธอมีจิตแน่วแน่เจริญวิปัสนาต่อการไม่หนานักก็ได้บรรลุพระรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วคิดว่าโอ้มหมาอุบาสิกานี้เป็นที่พึ่งของพวกเราถ้าพวกเราไม่ได้อาหารอันเป็นที่สบายแล้วไช้การแทงตลอดมรรคและผลคงจะไม่ได้มีแก่พวกเราเป็นแน่บัดนี้พวกเราอยู่จําพรรษา ประวาตนาแล้วจะไปสู่สำนักของพระศ า, าสดาหังนี้พวกภิกษุจึงอำลามหาอุบาสิกาด้วยคําว่าพวกอัตมาใกล้จะเฝ้าพระศาสดามหาอุบาสิกากล่าวว่าดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วได้ตามไปทรงภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวกันมันเป็นที่รักเป็นอันมากเช่นว่า ขอท่านทั้งหลายพึงมาเยี่ยมดิฉันแม้อีกเกิดดังนี้เป็นต้นแล้วก็จึงกลับฝ่ายภิษุานั้นแลถึงกรุงสาวัติแล้วถาวายบังคมพระศาสดานั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระศาสดาได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสรีระยนต์มีจักสมีทวาล9อันพวกเธอพออดทนได้รหรือพวกเธอยังพออัตภาพ ให้เป็นไปได้หรืออนหนึ่งพวกเธอไม่ลำบากด้วยบินตาบาร์หรือพิสุรันนั้นจึงกราบทูนว่าผู้ฆ่ารรพราะองค์พออดทนได้พระชจ้าพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้พระเก้าข้าอนหนึ่งฆ่าพระองค์ทั้งหลายม่ได้ลำบากด้วยการบินตาบารเลยเพราะว่าอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อมาติกะมาตาทราบวาระจิตของพวกข้าพระองค์เมื่อพวกข้าพระองค์คิดว่า สณะนี้นอมหาอุบาสิกาจะพึงจัดแจงอาหารชื่อเห็นป่านนี้แก่พวกเรานางก็ได้จัดแจงอาหารถวายตามที่พวกข้าพระองค์คิดแล้วจึงได้กล่าวสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกานั้นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งสำหรับถ้อยคำสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกานั้นแล้วเป็นผู้ใครจะไปในที่นั้นภิกษุรูปนั้น เรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วทูลลาด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นภิกษุนั้นจึงออกจากปราวิหารเชตวันไปถึงหมู่บ้านนั้นโดยลำดับในวันที่ตนเข้าไปสู่วิหารคิดว่าเขาเล่าลือว่าอุบาสิกานี้ย่อมรู้ถึงเหตุอันบุคคลอื่น คิดแล้วคิดแล้วก็เราเหน็ดเหนื่อยแล้วในหนทางจะไม่สามารถกวาดวิหารได้สด่ไห น, หนออุบาสิกานี้จะบึงส่งคนผู้ชำระวิหารมาเพื่อเราอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนนั่นเองพิจารณาอยู่ทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปด้วยคำว่าเจ้าจงไปชำระวิหารชำระวิหารเสร็จแล้วจึงมา ภิกษุนั้นก็อยากดื่มน้ำจึงมีความคิดว่าส น, านาัหน้ออุบาสิกานี้จะพึงทำน้ำดืม่มละลายน้ำตาลกรวดส่งมาให้เราอุบาสิกาก็ได้ส่งน้ำนั้นไปให้ภิกษุนั้นก็มีความคิดถึงว่าขออุบาสิกาจงส่งข้าวยาคูคือข้าวต้มมีรสเลิศดและแกงออม มาเพื่อเราในวันพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่เถิดอุบาสิกาก็ได้ทําอย่างนั้นพิกษุทนั้นดื่มข้าวยากู่แล้วคิดว่าช่วยหนออุบาสิกาพึงส่งของขบเคี้ยวเห็นป่านนี้มาเพื่อเราอุบาสิกาก็ได้ส่งของขบเคี้ยวแม้เห็นป่านนั้นไปให้แล้วพิกสุทนั้นมีความคิดว่าอุบาสิกานี้ส่งวัตถุที่เราคิดแล้วคิดแล้ว ทุกๆสิ่งมาให้เราอยากจะพบอุบาสิกานั่นฉนยหยเนอนางพึงให้คนถือโภชนะมีรถต่างๆเพื่อเรามาด้วยตนเองทีเดียวอุบาสิกานั้นทราบความคิดนั้นแล้วจึงให้คนถือโภชนะไปสู่วิหารแล้วได้ถวายแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นทําพัตกิจแล้วถามว่าอุบาสิกา ท่า น, นหรือชื่อว่ามาติกะมาตาถูกแล้วท่านผู้เจริญอุบาสิกาท่านทราบจิตของคนอื่นอย่างนั้นหรือท่านถามฉันทําไมท่านผู้เจริญก็ท่านได้ทําทุกๆอย่างที่อาตมาคิดแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาจึงถามท่านท่านผู้เจริญงพิสูจที่รู้จิตของคนอื่นก็มีมากอุบาสิกา อาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาเฉพาะเจาะจงถามถึงตัวท่านแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นอุบาสิกาก็ยังไม่ได้บอกตรงๆแต่กลับกล่าวว่าท่านผู้เจริญธรรมดาคนทั้งหลายผู้รู้จิตของคนอื่นย่อมทำอย่างนั้นได้ภิกษุนั้นจึงคิดว่าโอ๋เนาะคำนี้หนักธรรมดาปุถุชนย่อมคิดถึงอารมณ์อันงามบ้าง ไม่งามบ้างถ้าเราจะคิดสิ่งอันไม่สมควรแล้วไซอุบาสิกานี้ก็พึงยังเราให้ถึงประการอันแปลกเหมือนจับโจรที่มวยผมพร้อมด้วยของกลางฉะนั้นเราควรหนีไปจากที่นี่เสียแล้วจึงกล่าวกับอุบาสิกาว่าอุบาสิกาอาตมาจะลาไปละท่านผู้เจริญท่านจะไปที่ไหนอุบาสิกาอาตมาจะไปสู่สำนัก ของพระศาสดาท่านผู้เจริญขอท่านจงอยู่ที่นี่ก่อนเถิดอุบาสิกาอารมาจะไม่อยู่ที่นี่จะต้องไปอย่างแน่นอนภิกษุนั้นจึงได้ออกเดินทางจากที่นั้นไปสู่สำนักของพระศาสดาลา ด, ดับนั้นพระศาสดาตรถัสถามเธอว่าภิกษุเธออยู่ในที่นั้นไม่ได้หรือ ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระชกะาข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ในที่นั้นได้เพราะเหตุอะไรเล่าภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าอุบาสิกานั้นย่อมรู้ถึงเรื่องอันคนเดินคิดแล้วคิดแล้วทุกประการข้าพระองค์คิดว่าก็ธรรมดาปุถุชนย่อมคิดอารมณ์อันงามบ้างไม่งามบ้างถ้าเราจะคิดสิ่งบางอย่างอันไม่สมควรแล้วใช่อุบาสิกานั้น ก็จะยังเราให้ถึงซึ่งประการอันแปลกเหมือนจับโจรที่มวยผมพร้อมทั้งของกลางฉะนั้นดังนี้แล้วจึงได้มาพระชจ้าภิกษุเธอควรอยู่ในที่นั้นละ่ะค้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถค้าพระองค์จะอยู่ในที่นั้นไม่ได้พระชจ้ขา้าภิกษุถ้าอย่างนั้นเธอจะรักษา สักสิ่งหนึ่งเท่านั้นได้ไหมเนอรักษาอะไรพระเจ้าขาภิกษุเธอจงรักษาจิตของเธอนน้หละ่ะธรรมดาจิตนี้บุคคลรักษาได้ยากเธอจงข่มจิตของเธอไว้ให้ได้อย่าคิดถึงอารมณ์อะไรอะไรอย่างอื่นธรรมดาจิตอันบุคคลข่มได้ยากเมื่อตรัสตังนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถา สื่อไปว่าทุนนิขหั ส, สะละหุโนยัตทะกามนิปาติโนจิตตสะธรมะโถสาธุจิตตังทันตังสุขาวหังความว่าการฝึกจิตอันกลมได้ยากจิตเป็นธรรมชาติเร็วมักโตไปในอารมณ์ตามความใกล้การฝึกจิตนั้นเป็นการดี เพราะว่าจิต ท, ที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนําสุขมาให้ดังนี้ในข้อความนั้นบัณฑิตพึงทราบวิเคราะห์ในพระคตานั้นอย่างนี้ว่าธรรมดาจิตนี้อันบุคคลค่มได้โดยยากเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าค่มได้ยากจิตนี้ย่อมเกิดและดับเร็วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมชาติเร็ว ซึ่งจิตนั้นอันขมไต้ยากคือท ah ุนนิขหาสะเป็นธรรมชาติเร็วคือลห ah ุโนขอที่ว่ายัตกามนิปาติโนคือมักตกไปในอารมณ์ตามความใกล่หมายความว่ามักตกไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นแหละจริงอยู่จิตนี้ย่อมไม่รู้จักฐานะอันตนควรได้ หรือฐานะอันไม่ควรได้ฐานะอันสมควรหรือฐานะอันไม่สมควรย่อมไม่พิจารณาดูช า, ต, าติไม่พิจารณาดูโคตรไม่พิจารณาดูวัยย่อมตกไปในอารมณ์ที่ตนปรารถนาอย่างเดียวประเนพนระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามักตกไปในอารมณ์ตามความใกล้ก็การฝึกจิตเห็นปานนี้นั้น เป็นการดีคือความที่จิตอันบุคคลฝึกฝนด้วยอริยมรรคสได้แก่ความที่จิตอันบุคคลทำได้โดยประการที่จิตสิ้นพย์ได้เป็นการดีข อ, อนั้นเพระเหตุไรเล่าเพราะว่าจิตนี้อันบุคคลฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้คือว่าจิตที่บุคคลฝึกแล้ว ได้แก่ทำให้สิ้นประโยชน์ย่อมนำมาซึ่งความสุขอันเกิดแต่มรรคผลและสุขคือปรนิพานอันเป็นปรมัติในการจบเทสนาภิกษุที่มาประชุมกันเป็ น, น, นมากในที่นั้นได้เป็นอริยะบุคคลมีโสดาปัิพล์เป็นต้นเทสนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแลว้วตอนภิกษุนั้น กลับไปสู่บ้านมาติกาคามอีกพระสัสดาครั้นประธานโอวาสนี้แก่ภิกษุนั้นแล้วจึงส่งไปด้วยพระตำารัดว่าไปเถิดภิกษุเธออย่าคิดอะไรอะไรอย่างอื่นจงอยู่ในที่นั้นนั่นแหละณ น, น, นี้แล้วภิกษุนั้นได้พระว่วาจากสำนักของพระศัสดาแล้วจึงได้ไปอยู่ในที่หมู่บ้าน มาติกากามนั้นไม่ได้คิดอะไรอะไรที่ชวนให้คิดไปนอกเลยฝ่ายมหาอุบาสิกาเมื่อตรวจดู ด, ด้วยทิพะยะจักษุก็เห็นพระภิกษุรูปนั้นกำหนดรู้ด้วยยานของตนนั่นและว่าแบบนี้ภิกษุผู้นี้ของเราได้อาจารย์ให้โอวาทแล้วจึงกลับมาอีกแล้วได้จัดแจงอาหาร อันเป็นที่สบายถาวายแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นได้โภชนะอันเป็นที่สบายแล้วโดยสองถึงสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่มรรคและผลคิดว่าน่าขอบใจมหาอุบาสิกาได้เป็นที่พึ่งของเราแล้วเราอาศัยมหาอุบาสิกานี้จึงถึงซึ่งการสลัด ออกจากภพได้แล้วได้ใกล a ครวนอยู่ว่ามหาอุบาสิกานี้ได้เป็นที่พึ่งของเราในก่อนอัตภาพนี้หรือไม่ก็เมื่อเราต้องเที่ยวอยู่ในสองสารวัตมหาอุบาสิกานี้เคยเป็นที่พึ่งในอัตภาพอื่นของเราหรือไม่หนอและวิสุทธ์นั้นจึงตามระลึกไปตลอด99อัตภาพใน99อัตภาพนั้น นางอุบาสิกานั้นได้เคยเป็นนางบาดปริจาริกาคือเป็นภรรยาของภิกษุรูปนั้นและในอัตภาพที่99เป็นผู้มีจิตปฏิพัตในชายอื่นจึงให้ปลงพระเถระนั้นเสียจากชีวิตพระเถระคือภิกษุรูปนั้นครั้นเห็นโทษของมหาอุบาสิกานั้นเพียงเท่านี้แล้วจึงคิดว่า น่าสังเวชจริงมาอุบาสิกานี้ได้ทํากรรมหนักมาแล้วฝ่ายมาอุบาสิกานั่งในหรือนั่นเองพรางใคร่กรวนว่ากิจแห่งบัณชิตของภิกษุผู้นี้ถึงที่สุดแล้วหรือเนอะก็ได้ทราบว่าพระเถระนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงใคร่กรวนให้ยิ่งขึ้นไปว่าก็ทราบว่า ภิกษุรูปนี้บรรลุพระอรหัสต์แล้วหน้าเปลื้มใจจริงจึงใคร่ครวญให้ยิ่งขึ้นไปก็ทราบความที่ภิกษุนั้นได้บรรลุพระอรหัสต์ก็ได้ทราบความที่ภิกษุนี้มีความคิดว่าอุบาสิกาได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างสำคัญและทราบความที่ภิกษุนี้ได้ใคร่ครวญต่อไปอีกว่า อดีตการอุบาสิกาได้เคยเป็นที่พึ่งของเราหรือไม่หนอและตามระลึกไปตลอด99อัตภาพแต่เราแลได้คบคิดกับชายเหล่าอื่นปลงพระเถระนั้นเสียจากชีวิตในอัตภาพที่99พระเถระนี้แลเห็นโทษมีประมาณเท่านี้ของเราแล้วคิดว่าน่าสังเวชจริง อุบาสิกาได้ทำกำหนักแล้วนางจึงใกรกลวนต่อไป ว, ว่าเราเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเราไม่ได้เคยทำอุปการะแก่ภิกษุรูปนี้เลยหรือหนาได้ระลึกถึงอัตภาพครบที่100อันยิ่งกว่ า, า9กอัตภาพนั้นก็ทราบว่าในอัตภาพครบ100เราเป็นบาทปริจาริกา คือภริยาของพิกษุรูปนั้นได้ให้ทานคือชีวิตในสถานที่เป็นที่ปรงจากชีวิตแห่งหนึ่งน่าดีใจเรากระทำอุปการะมากแก่ท่านผู้เจริญคือพิกษุของเราดัง น, นี้แล้วก็นั่งอยู่ในเรือนนั่นเองจึงกล่าวว่าขอท่านจงใคร่กรวนดูให้วิเศษยิ่งขึ้นเถิดพระเถระ ได้สดับเสียงของอุบาสิกานั้นด้วยโสตาทาาอันเป็นทิพย์ระลึกถึงอัตภาพครบที่หนึ่งร้อยให้วิเศษขึ้นแล้วเห็นอุบาสิกานั้นได้ให้ชีวิตแก่ตนในอัตภาพนั้นจึงมีความคิดขึ้นว่าน่าดีใจอุบาสิกานี้ได้เคยทาอุปการะแก่เราดังนี้แล้วก็มีใจเบิกบาน กล่าวปัญหาในมรสีผลสีในที่นั้นนั่นเองแกอุบาสิกาในการต่อมาภิกษุนั้นก็ได้ปริดิพันธ์แล้วด้วยอนุ ป, ปาที่เสสะนิพพานธาตุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง